การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะประสบความสาเร็จอย่างแท้จริงจะต้องมีการพัฒนาเป็นไปแบบมีขั้นตอนซึ่งต้องอาศัยความเข้มแข็งจากชุมชนก่อนจากนั้นจึงมีการพัฒนาต่อยอดให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ขนาะเดียวกัน จะต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรเพื่อให้มีความสมบูรณ์ทำให้การพัฒนาด้านอื่นๆมีประสิทธิภาพต่อไปกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำเพื่อให้เกิดเป็นน้ำต้นทุน ประชาชนในพื้นที่ได้รับทรัพยากรน้ำที่สมบูรณ์มีน้ำเพียงพอในการทำกิจการต่างๆศูนย์าการเรียนรู้แม่ฟ้าหลวงบ้านแห ม, ม่หมู่4ตำบลสามหมื่นอำเภอแม่ระมาด จ, จังหวัดตากกรมทรัพยากรน้ำได้เข้ามาสนับสนุนแหล่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดสมบูรณ์เพียงพอและสามารถนำมาใช้เพื่อกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ได้ น้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้ำประสงวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมพร้อมให้การปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำโทร 1310- กด5หรือ w w w d w r g o t h